เพราะว่าคนเราเนี่ยเราเกิดมาตัวคนเดียวเวลาเราออกจากท้องแม่เราก็ออกมาคนเดียวแม้จะเป็นฝาแฝดนะก็ต่างคนต่างก็มีวิถีชีวิตของตัวเองเวลาเราทุกคนอื่นอยากจะมารับลูกทุกข์กับเราหรือแบ่งเบาทุกข์ของเราก็ทำได้ไม่มากแม้ผู้นั้นจะเป็นพ่อเป็นแม่ก็ไม่สามารถจะแบ่งเบาทุกข์เราได้เมื่อเรามีปัญหา แม้ครูบาอาจารย์อยากจะช่วยให้เราแก้ปัญหาหรือพาะปัญหาในทาง จ, จิตใจแต่ก็ทําไม่ได้มากไปกว่าการชี้แนะแต่คนแก้นี่คือเราตัวเราเองอย่างพระพุทธเจ้านี่แม้ว่าพระองค์จะมีความกรุณาอย่างยิ่งแต่ว่าพระองค์ก็ยอมรับว่าก็เป็นเพียงแต่ผู้ชี้ทางเป็นผู้ชี้ทางพ้นทุกแต่ว่าคนที่จะต้องเดินแล้วก็ เพื่อไปถึงความพ้นทุกข์นั้นก็ต้องเป็นเจ้าตัวเองขณะผู้เจ้าซึ่งเป็นผู้ที่มีความสามารถมากมีพระกรุณามีพระปัญญาแต่ว่าก็ยังมีข้อจํากัดเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเราเองมันเป็นชีวิตของเรานะมันเป็นปัญหาของเราที่เราจะต้องแก้ด้วยตัวเองเวลาสุขเราจะรู้สึกว่ามีคนสุขร่วมกับเรานะใครๆก็อยากจะมาสุขร่วมกับเราแต่เวลาทุกข์นะเราก็ ทุกคนเดียวคนหนึ่งก็ไม่สามารถทีะอยังถึงความทุกข์ของเราได้เมื่อเราประสบความพัดพาดสูญเสียเราก็อาจจะซึมแล้วก็เศร้าโศกเสียใจเพื่อนหรือว่าคนที่เราคุ้นเคยเขาก็อาจจะบอกว่าอย่าเสียใจไปเลยนะชีวิตเราก็มีความพัดพาดเป็นธรรมดาแต่เราก็จะนึกอยู่เสมอว่า ก็เขาไม่เจออย่างเราเนี่ยเขาก็ถึงพูดได้ซึ่งก็ถูกต้องเพราะว่าคนที่เขาแนะนําเรานะว่าให้รู้จักปล่อยวางถึงเวลาเขาประสบความภาคภายสูญเสียเขาก็ทุกข์เหมือนกันเขาก็กลัดกลุ้มจนแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเหมือนกันอันนี้เพราะอะไรเพราะว่าความทุกข์นั้นเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นกับใครแล้วเนี่ยมีแต่พูดนั้นเท่านั้นแหละนะที่จะแก้ไขได้ที่เหลือนั้นนะ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 แล้วก็พูดกับนักศึกษาแพทย์ว่าไม่มีอะไรหรอกก็เป็นเพียงแค่มีพิษปากขอเท่านั้นแหละเสียท่านเหล็กไปเดี๋ยวให้กินท่านเหล็กไม่กี่วันก็ดีอย่าไปพูดอย่างงี้นี่คนป่วยก็ได้ยินเขาลุกขึ้นมาเลยนะแล้วก็เข็นรถเข็นออกไปบอกว่าถ้ามันหายง่ายอย่างนี้ผมก็ไม่ต้องใช้รถเข็นแล้วล่ะคือไม่ทันจะได้กินยาเลยก็หายแล้วก็มีเลี้ยวมีแรงแล้ว คำถามว่าทําไมทีแรกไม่มีเรื่องไม่มีแรงเพราะใจมันคิดว่าตายแน่แน่แล้วฉันมันเร็งหรือเปล่านะเพรคิดแบบนี้เข้านื้อก็หมดเรี่องหมดแรงไปเลยแต่พอใจนี่พอรู้ว่าไม่มีอะไรก็แค่กินธาตุเหล็กเสริมเข้าไปเท่านั้นอีกไม่กี่วันก็หายลุกขึ้นมาได้ทันทีถึงบอกว่าเมื่อเราป่วยคนสําคัญที่สุดก็คือเราเราจะสุขหรือเราจะทุกข์คนสำคัญก็คือเราแล้วเมื่อเวลาเรา จะต้องไปจากโลกนี้เราก็ไปคนเดียวแม้ว่าอาจจะมีหลายคนที่ร่วมในเหตุการณ์เดียวกับเราแต่ว่าเราก็ไม่มีโอกาสที่จะไปรับรู้ความทุกข์ของใครได้เพราะว่าความทุกข์ของเราคนเดียวก็หนักหนาสาหัสแะ้ก็ไปคนเดียวเหมือนกันแม้ว่าคนที่เขารักเราเช่นเรามีลูกมีหลานมีพ่อมีแม่ก็อยากจะแบ่งเบาความทุกข์ให้เราหรือเขาก็อยากจะแบ่งชีวิตให้เราเขาก็ทาไม่ได้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 ก้อนหินนี้เรายังอาจจะยกได้นะถึงแม้เรายกไม่ได้เราก็มีเครื่องให้ยกแต่อารมณ์ความรูม้สึกมันหนักมากๆนี่ไม่มีอะไรมาแบ่งเบาวภาระได้เลยตราบใดที่ใจเรายังไปยึดอยู่ยังไปแบกอยู่ยงั้นคนเราเวลานี้ทําร้ายตัวเราเองทําร้ายตัวเองมากนะเพราะว่าเขาไม่เห็นความสําคัญของการที่จะเป็นมิตรกับตัวเองเขาไม่เห็นความสําคัญของการที่จะ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 นับก้าคุกมันก็ไม่ได้ใหญ่นะเดินนับก้าเดินนับก้าเดินทำไมถึงทำอย่างนั้นเพื่อจะได้สะกดความคิดไม่ให้ปรุงแต่งเพราะว่าในเวลานั้นในยามนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นอันตรายต่อจิตใจที่สุดก็คือความคิดความคิดที่หวนระลึกถึงอดีตหรือว่าไปกังวลถึงอนาคตจะรอดไม่นีบางทีก็นึกถึงอดีตว่าเคยมีความสุขอย่างไรบ้างแล้วต้องมาอยู่แบบนั้นไม่เจอเพื่อ น, นอะไรต่าง ความกลัวความวิตกความกังวลเข้ามาหลอกหลอน24ชั่วโมงถึงตอนนี้เนี่ยมันทำลายตัวเราเองแลวศัตรูเนี่ยคือตัวเรานี่แหละมันกลายเป็นศัตรูถ้าคุมไม่ได้แล้ว ป, ปิยองเนี่ยเขาใช้วิธีนี้เลยเดินจงกรมนับเก้าทำกันตลอดเวลาที่มีความรู้สึกตัวตลอดเวลาที่ตื่นขึ้นปรากฏว่าพอถึง5ปีนี่ออกมา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 ช่วยให้ความคิดความรู้สึกของเราเนี่ยมันอยู่ในความสงบสันติคนเท่าคนแก่ก็บอกไว้ว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังวาจาอันนี้เป็นความจริงที่อมาตะามากไม่ง่ายนะโดยเฉพาะข้อแรกอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดแต่ถ้าเรามีสติเราสร้างสติเรารักษาสติไว้สติก็จะรักษาเรา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 ถ้าเราทาด้วยความประนีประออมใจเราก็ปลอยประนีประนอมออไปด้วยแล้วก็อาจจะรวมไปถึงพฤติกรรมของเราก็ประนีประนอมออไปด้วยเช่นกันวันนี้เราเราดูแลรักษา จ, จิตใจวันหน้าใจนั่นแหละก็จะดูแลรักษาเราเวลาเราทุกเวลาเราประสบความพลาดพลาดสูญเสียเวลา เ, าเจอความผันผวนปนเปนในชีวิตเวลาเราเกิดความเจ็บป่วยขึ้นมาใจนี่แหละที่จะช่วยเราได้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 สอนไม่จำนะไม่รักดีแต่เราบางทีก็ต้องย้อนกลับมาถามตัวเราเองว่าแล้วเราเคยมีเวลาให้แก่เขาจริงๆรหรือเปล่าเราให้แต่งเงินจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เราแทบจะกลายเป็นสิ่งที่คนบางคนเรียกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยเงินไปแล้วแต่ว่าไม่มีเวลาที่จะให้ความรักแก่เขาแล้วเราจะโทษใครดีใจเรากำลังจะกลายเป็นเด็กที่ถูกเลี้ยงจน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 ทีระบาดทีระบาดใส่กระปุก อ, อมสินต้องใช้เวลาต้องใช้การสะสมที่จริงไม่ต้องดูอื่นไกลก็เหมือนก็ต้นไม้ต้นไม้นี่มันมีทางที่จะเล่งให้มันโตได้หรือออกดอกออกผลได้อย่างเร็วทันใจเราได้ต้องใช้เวลาเพราะาเขาเติบโตทีละนิดทีละนิดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถ้าเราใส่ใจให้เวลาไม่ต้องให้เวลามากแต่ว่าก็จะอยู่ได้นานมันก็ต้นไม้เนี่ยเราลดน้ํำต้นหนึ่งก็ไม่ได้ใช้เวลามาก แต่เมื่อเขาโตแล้วนี่เขาอยู่ได้นานบางทีอยู่นานกว่าชีวิตของเราซะอีกผลพวงหรืออ น, นิสง์ของการที่เราดูแลจิตใจของเราด้วยการเจริญสติหรือว่าทำสมาธิภาวนานเนี่ยมันไม่ได้ใช้เวลาเยอะอย่างน้อยก็ไม่มากไปกว่าเวลาที่เราไปใช้กับเรื่องทางกายวันวันหนึ่งเราใช้กับเรื่องทางกายเนี่ยชั่วโมงเนี่ยเราใช้กับเรื่องทางกาย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 ร่างกายเนี่ยนะไม่ว่าจะปลนเปลือยเท่าไหร่ก็ตามถึงเวลาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องเสื่อมไปแต่ใจนี่นะในขณะที่ร่างกายนี้เสื่อมแต่ใจนี่สามารถที่จะจะเลยงอกงามสวนทางกับร่างกายก็ได้คนมางคนเขาแก่นะร่างกายเขาเสื่อมโซลงไปคนมางคนเขาพิการร่างกายมีแต่แย่ลงแต่ใจเขากลับดีขึ้นดีขึ้ น, ด, นดีขึ้นเพราะเขาได้ปฏิบัติ